นี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะวันนี้ดิฉันขอนำท่านผู้ฟังมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ประหลัดสมทบประกโมแห่งวัดกลางอำเภอบางปละมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนมรสการพระอาจารย์ค่ะเขาจเจริญพรเนี่ยะพระอาจารย์คะอยากขอกราบเรียนถึงคําถามนะคะว่ามงคลเนี่ยคืออะไร และทำไมทุกคนก็ใฝ่ฝันจะหาความเป็นมงคลให้กับตัวเองไม่ว่าการแต่งงานก็มีการสวมมงคลการปลูกต้นไม้การขึ้นบ้านใหม่การทำพิธีต่างๆก็ต้องการคำว่ามงคลให้แก่ชีวิตขออารัธนาค่ะก็ขอเจริญพรเมื่อสักครู่โยมถามว่ามงคลคืออะไรนี่ ถ้าพูดถึงในเรื่องของมงคลเนี่ยต้องย้อนไปดูในพระไตรปิฎกนะที่พระบรมศ า, ศาสดาท่านสอนอย่างไรถ้าไปย้อนไปดูตรงโน้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะได้มาได้รับคําตอบของคําว่ามงคลอีกทีหนึง่งแต่ถ้าจะให้แปลเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยคำว่ามงคลนะั้นได้แก่เหตุแห่งความสําเร็จเหตุแห่งความเจริญและก็เหตุแห่งสมบัติทุกอย่าง มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินี่เขาเรียกว่ามงคลหรือมังคลังนี่เป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องคําว่ามงคลเนี่ยคนยอมก็จะต้องไปนึกว่าแล้วมงคลเนี่ยใครเป็นคนกล่าวใครเป็นคนแสดงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กล่าวและก็แสดงเปิดเผยเรื่องของมงคลก็ไว้ ทีนี้ก่อนที่จะมีการกล่าวแสดงเปิดเผยในเรื่องของมองคลก็ไว้ น, นั้นน่ยก็มีบุคคลเข้าใจมงคลกันต่างๆนานานเหมือนที่คุณโยมพูดน่คือบุคคลเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นสรสามจำพวกพวกแรกนั้นเขาเรียกว่าพวกทิฏฐมังคริกะพวกประเภททิฏฐมังคริกะนี้คือตัวพวกที่เห็นว่าสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นมงคล น, นั้นพวกหนึ่งประเภทที่สองก็คือพวกสุตตามังคริกะ หรือสุดตามมงคลนะ่ยคือประเภทพวกที่มีความเชื่อหรือเห็นว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นมงคลประเภทที่สมก็คือพวกมุตตะมังคริกะหรือประเภทที่มีความเห็นและเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองทราบหมายความว่าตนเองได้ดมได้ริมรสได้สัมผัสเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นมงคลและคนก็ไปคิด ในเรื่องของมองคลแตกต่างกันออกไปก็ทกเถียงกันอยู่เป็นเนะีว่าเป็นเวลานานว่าอะไรเนาะเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลเนี่ยคนในยุคก่อนเนี่ยเขาเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลเนี่ยเขาเถียงกันอยู่สิบสองปีนะไม่ใช่ในอน้อยเนี่เถียงกันมากและแม้กระทั่งเถียงกันแล้วเนี่ยจนถึงขนาดเดือดร้อนไปจนถึงเทวดา บรรดาเทวดาทั้งหลายต่างก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลนันที่สุดจริงๆก็คือไปถามจนเทวดาเนี่ยต้องลงมาถามพระพุทธเจ้าต้องการอยากจะถามว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคล น, นั่นเองฉะนั้นคำว่ามังคลโกุลาหนน่พรหมชั้นสุทาวาสนี่มีความประสงค์ ของเทวดานีทราบความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายก็ได้เที่ยวประกาศให้มนุษย์โลกได้ทราบว่าแต่ตอนนี้ไปอีกสิบสองปีนะพระพุทธเจ้าจะมากล่าวหรือมาแสดงเรื่องมงคลเขาว่าในลักษณะอย่างนั้นน่ยตั้งแต่นั้นมาก็พอได้เหตุได้ปัจจัยแล้วน่ยต่อมาเทวดาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายมีเท้าสะก่าเป็นปะมาเป็นประธ า, านนะฮะได้ลงมาจากไหนลงมาจากดาวดึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไหน ที่เชตวันมหาวิหารก็ถวายบังคมทีนี้เทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถามบอกว่าเวลาเทวดามาฟังธรรมเนี่ยเขายืนฟังหรือนั่งฟังหลายๆคนก็คงคิดว่าเอ๊ะเทวดาคงนั่งฟังจริงๆแล้วเทวดายืนนะเทวดามากันมากมายจริงๆมากันมา ก, มา ก, มากจริงๆท่านกล่าวเขาไว้ในคำสอนบอกว่าแม้ในสิ่งที่เล็กเท่าปลายขนทรายเนี่ย ก็มีเทวดาอยู่ประมาณ10องค์ถึง80องค์นะรัศมีของเทวดานั้นสว่างสวัยไปหมดเลยแต่เมื่อเทียบกับรัศมีของพระบรมศ า, ศาสดาแล้วก็ห่างไกลกันมากขึ้นพอในปัจจุบันนี้ถ้าใครไปพูดในเรื่องของเทวดานี่หลายๆคนก็ปฏิเสธนะซึ่งเป็นการปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะ ต้องกล้ายืนยันว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเทวดามีจริงและท่านยังบอกด้วยซ้ำไปคำว่าเทพเนี่ยมีอยู่สามจาพวกประเภทแรกเขาเรียกว่าอะไรสมมุติเทพหมายถึงเทวดาโดยสมมุติก็หมายถึงพระราชามหากัตร์ตลอดถึงพระประยุลวงศ์ษาหรือพระญาติทั้งหลายของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมมติเทพใช่ไหใช่ต่อมาก็คือว่า อุปติเทพอุปติเทพนี่เทวดาโดยการอุบัติเกิดขึ้นท่านหมายถึงเทวดาในชั้นจารุมหาราชิกาเป็นต้นไปนะในชั้นกามาพจรรูปาวาจรและอรูปาวาจรก็หมายความว่าพรมทั้งหลายท่านก็เรียกว่าเป็นเทวดาฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเทวเทวดาที่โดยการอุบัติเกิดขึ้นจริงๆเลยประการที่สมคือวิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์อันนั้นท่านหมายถึงใครหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเทพท่านก็เป็นเทวดาแต่เป็นในความหมายของคําว่าวิสุทธิเทพทําไมจึงเรียกว่าวิสุทธิเทพเพราะพระบรมศ า, าสดาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านบริสุทธิ์จากอะไรจากกิเลสแล้วท่านเหล่านั้นไม่มีอะไรไม่มีราคะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจฉา สรุก็คือว่าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธและก็ไม่มีความหลงไม่อย่างนั้นท่านเป็นเทวดาท่านเป็นเทพยิ่งกว่าเทพนคือบริสุทธิ์เป็นเทพที่สูงกว่าเทพนั่นเองเพราะในบรรดาเทวดาทั้งหลายนี่โดยมากมีความโลภโกรธหลงก็เยอะแยะและดังที่ดในสูตรนี้ที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ในมงคลสูตรนี่นะที่ปรากฏไว้ในมงคลสูตรในสุตตนิบาต ทีนี้เทวดาก็ยังสงสัยกันว่าอะไรเป็นมงคลและอะไรไม่เป็นมงคลอย่าว่าแต่มนุษย์เลยใช่ไหมคนโยมไม่ต้องแปลกใจนะว่าบางคนก็เข้าไปเข้าใจว่า อ, อย่างพวกบางคนในะประเภททิฏฐามังคริกาเขาก็บอกประเภทที่บางคนก็มีอะไรมีสร้อยมีสังวานมีอะไรต่างๆเข้ามาคล้องนะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เขาเห็นเนี่ยทาให้เป็นมงคลกับเขาบางคนก็ ประเภทต้นไม้อะใช่ไหมใช่พวกยูวานทั้งหลายเอ้ยพวกต้นไม้อะไรต่างๆทั้งหลายที่ปลูกกันใกล้บ้านเนี่ยเพราะไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมงคลกับชีวิตเมื่อไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเอาต้นไม้ประเภทนี้มาปลูกเขาไว้แล้วเนี่ยตนเองได้ดูต้นไม้นี้ทุกวันแล้วก็จะทําให้ตนเองนั้นเข้าถึงความเจริญเข้าถึงความรุ่งเรืองใช่ไนี่ความเข้าใจของมงคลซึ่งอยู่ภายนอก ศา ส, สนาเป็นอย่างนั้นพออีกประเภทหนึ่งไม่อย่างนั้นไม่ใช่เอาสิ่งที่ตนเองเห็นแล้วเอาสิ่งที่ตนเองได้ยินเป็นมงคลหลายๆคนนะ่ยบอกว่าเสียงนกเนี่ยฟังไว้แล้วเป็นมงคลเลยใช่ไหเสียงไก่ร้องเนี่ยเป็นมงคลอย่างนี้เป็นต้นคือที่สุดจริงๆเขาไปเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมงคลบางประเภทก็ถือกลิน่นถ้ากลิ่นแบบนี้เป็นมงคลรสอาหารแบบนี้ทารับประทานไปแล้วเป็นมงคล สัมผัสอย่างนี้เครื่องนอนที่อยู่อาศัยอย่างนี้สีแบบนี้เป็นมงคลเนี่ยเมื่อไปเข้าใจกันอย่างนั้นก็เลยคิดมงคลกันต่างๆนาน า, า, าในยกนั้นเน่ยเขาคิดกันไม่ออกเขานึกถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นในปัจจุบันนี้อยากจะให้แง่คิดกับพวกเราทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราคิดเรื่องมองคลเองเนี่ยตามธรรมดาพวกเราทั้งหลายเป็นปุถุชนใช่หรือไม่ใช่เมื่อเป็นปุถุชนเนี่ยการคิดของพวกเราเนี่ย มันก็มีทั้งผิดและถูกใช่ไหมใช่ทีนี้เมื่อคิดผิดและคิดถูกแล้วเนี่ยถามว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเราไม่มีเครื่องตรวจสอบเราไม่มีเครื่องวัดนีถ้าหากเราไม่ศึกษาคําสอนหรือไม่ฟังพระพุทธเจ้าฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยที่คุณโยมถามว่าอะไรคือมงคลเนี่ย ก็เกิดความสงสยัยเกิดความกังขาขึ้นมาว่าในชีวิตเนี่ยหรือในข้อปฏิบัติก็ดีหรือว่าอะไรหนอในชีวิตประจําวันที่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเป็นต้นเนี่ยว่าสิ่งไหนกันแน่ที่เป็นมงคลกับชีวิตที่เป็นเหตุแห่งความเจริญที่เป็นเหตุแห่งความสมบัติเออที่เป็นเหตุแห่งสมบัติทุกประการเนี่ยอะไรหนอเป็นเป็นเหตุแหงความเจริญความรุ่งเรืองที่เราปรารถนาเราพึงได้พึงมีและพึงเป็นกันเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออก ถคนในยุก่อนเนี่ยคิดไม่ออกเขานึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็อยากจะโน้มน้าวหรือว่าแนะวิธีคิดของพวกเราก็คือว่าถ้าเราคิดในเรื่องอะไรไม่ออกนั้นให้นึกถึงใครต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหาว่าตอนนี้คําสอนของ พ, ออพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนทีนี้ก็อยากกลับเรียนพระอาจารย์ต่อและคะว่ามุงคลของพระพุทธเจ้าเนี่ย มีกี่อย่างอะไรบ้างคะ่ะคนโยมถามในเรื่องของคําว่ามงคลคืออะไรนั้นได้บอกไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นมังคละหรือมงคลในคํานั้นก็แปลว่าเป็นเหตุของความเจริญหรือเหตุของเหตุของสมบัติทุกประการนั่นะเหตุของความสําเร็จเหตุของความเจริญแล้วก็เหตุของความเหตุของสมบัติทีนี้ก็คือว่าเมื่อดังที่ได้กล่าว บ, บอกว่า เมื่อถามว่ามงคลของพระพุทธเจ้ากับมงคลในความเข้าใจของพวกเรานั้นจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนั้นน่ก็ต้องไปดูแล้วว่ามงคลของพระพุทธเจ้านั้นน่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องของมงคลนั้ น, นมีทั้งหมด38มปดประการใน38ปประการนั้นก็มีว่าไม่คบคนพาลเป็นต้นคบบัณฑิต แล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาและท่านกระตรายวันนี้เป็นอุดมมงคลเป็นต้นนะแต่ประเด็นตรงนั้นก็คือว่าเป็นประเด็นที่คุณโยมถามว่ามงคล น, นั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอเน้นตรงนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อเราทั้งหลายต้องการจะตรวจสอบว่าความเข้าใจมงคลของพวกเรานั้นถูกต้องหรือไม่นั้นเราก็ต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะต้องรู้ก่อนว่ามงคลของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้มงคลของพระพุทธเจ้าแล้วและเราจะได้รู้และจะได้ตรวจสอบว่าเรานั้นมีมงคลอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามงคลนั้นมีอยู่ทั้งหมดสามสิบปดประการในสามสิบปดประการนั้นเนะ ก็อยากจะให้คนโยมนั้นเน่ยกล่าวมงคลของพระเจ้าตามลําดับทั้งสามสิบแปดประการตามหลักพุทธพจน์นะนะเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังด้วยและก็จะได้เข้าใจว่ามงคลของพระเจ้ามีอยู่สามสิบแปดประการนะส่วนเมื่อสาธยายไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจุดในการที่จะขยายตามในยะของอัตถกถาจารย์นั้นนะ ก็เป็นหน้าที่ที่อาตมาจะขยายให้ฟังอาจขอเชิญคุณโยมช่วยสาธยายในเรื่องของมงคล38ประการในมงคลสูตรให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ได้รับฟังกันการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่ง ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลพาหุสั จ, จหนึ่งศิละปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาหนึ่งการบำรุงบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรภรรยาหนึ่ง การงานอันไม่อากูหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลทานหนึ่งการประพฤติ ธ, ธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่งกรรมอันไม่มีโทษหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการงดเว้นจากบาปหนึ่งความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล ความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตัญญูหนึ่งการฟังธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นสมณะทั้งหลายหนึ่งการสนทนาธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล ความเพียรหนึ่งพรมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกทระม ท, ทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวหนึ่งไม่เศร้าโศกหนึ่งปราศจากทุรีหนึ่งเป็นจิตเกษมหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทามงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นที่คุณโยมได้สาธยายไปในคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธพจน์นนออย่างนี้ก็จะเริ่มจะเห็นแล้วว่ามงคลใน ทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาท่านตรัสไว้นั้นน่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด38ปประการมีการไม่ครบคนพานเป็นต้นทีนี้ในคราวที่พระบรมศาสดาเทศนามงคลลสูตรนั้นเนี่เทวดาทั้งหลายเนี่ยได้บรรลุธรรมกันมากมายเหลือเกินปัญหาอยู่ตรงว่าเทวดาเหล่านั้นท่านคิดอย่างไรท่านจึงได้บรรลุธรรม นั่นอย่างหนึ่งและในปัจจุบันนี่หลายหลายคนสาธยายจําคําสอนของพุทธเจ้ากันได้มากนะท่องมงคลสามสิบแปดกันได้ก็เยอะแต่ในขณะที่ท่องไปนั้นเน่ตนเองก็ยังสแสวงหามงคลภายนอกพุทธศาสนาเต็มกันไปหมดนั่นเป็นเรื่องที่เราจะทั้งหลายจะต้องเอามาตรึกแล้วก็มาพิจารณากันอีกทีว่าเอ๊ะทำไมชาวพูดเป็นอย่างนั้น ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปต่อต้านนะแต่ว่าอยากจะให้พวกเราทั้งหลายฉุกคิดกันอีกทีว่าทําไมชาวพุทธเป็นอย่างนั้นถ้าถามหลายๆคนว่าสาธยายมงคนลสูตรได้ไหมเนี่ยหลายคนท่องและสาธยายได้ได้ทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยนยีอย่างเช่นว่าอาเสวนาเจภารนังปันเดตา น, านันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตมังเป็นต้นเนี่ย คือสามารถที่จะสาธยายกันได้ด้วยแล้วก็แปลได้ด้วยว่าเหมือนที่คุณโยมได้สาธยายแล้วก็พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างเช่นว่าไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเนี่ยทีนี้เทวดาฟังแล้วได้บรรลุธรรมเทวมนุษย์ในยุคนั้นฟังแล้วได้บรรลุธรรมแต่ในปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งสาธยายทั้งฟังกันแต่เมื่อฟังไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันการแสดงออกหรือพฤติกรรมของพวกเรานั้นก็ยังแสวงหามงคลภายนอกกันอยู่อยู่ล่าไปประการแรกที่เป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยก็ให้ข้ขอสังเกตเขาไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคือศรัทธาในพระบรมศาสดานั้นค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดเมื่อเราศรัทธาในพระบรมศาสดาน้อยแล้วเนี่ย ประเด็นต่อมาก็คือว่าทําให้เรานั้นไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆเมื่อไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆการที่จะน้อมใจเชื่อหรือพิจารณาหเห็นตามเหตุผลก็ยิ่งไม่ไม่มีฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้พวกเราทั้งหลายเมื่อตรึกว่ามงคลในข้อแรกนั้นถ้าเราทั้งหลายปรารถนาว่าเหตุแห่งความสําเร็จเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งสมบัติ มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและสูงสุดคือ น, นิพพานสมบัติแล้วเนี่ยก็จะต้องมาน้อมกลับเข้ามาหามงคลภายในพุทธศาสนานั้นจริงๆและสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างเช่นในข้อแรกนี่นะในมงคล38ในข้อแรกนั้นนะ่ที่คุณโยมได้กล่าวไว้ที่บอกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากผู้หวังอยู่ซึ่งความสวัสดีได้พากันคิดสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสบอกอุดมมงคลซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสบอกไปว่ามงคลนะมีอยู่สามสิบแปดประการเนะืเหมือนที่คุณโ ย, ยมสาธยายไปนั่นแหละทีนี้ว่าเมื่อรู้แล้วว่ามงคลมีอยู่สามสแปดประการเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะ่ะผู้หวังอยู่ซึ่งความสวัสดีนะั่นะนะ่ะทีนี้เราถ้าถามบอกว่าปรารถนาความสวัสดีไหมเนี่ยนะ เราก็ต้องบอกว่าทุกคนปรารถนาความสวัสดีกันทั้งนั้นใช่ไหมเราเจอหน้ากันแล้วก็บอกสวัสดีสวัสดีขอให้เข้าถึงความสวัสดีแม้พระให้พรพระก็บอกโสดีพระวันตุเตขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงความสวัสดีเนี่ยปัญหาว่าการจะเข้าถึงความสวัสดีได้ไม่ใช่คนกราบเป็ น, น, นไม่ใช่อยู่แค่นั้นก็จะต้องไปเข้าไปรู้ว่าความสวัสดีในพระศาสนานี้นั้นมีอะไร ฉะนั้นการจะเข้าถึงความสวัสดีได้ในประการแรกก็าบอกหนึ่งการไม่คบคนพานประการที่สองก็คือการครบบัณฑิตประการที่สมก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งสามอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นอุดมมงคลคือเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลข้อแรกที่ท่านตรัสว่าไม่คบคนพานเนี่ยท่านอธิบายว่ายังไงท่านอธิบายบอกว่าไม่ควรแม้แต่จะเข้าใกล้ อย่าป่วยอย่าป่ยกล่าวไปยายในการที่จะไปคบค้าสมาคมในการที่จะเป็นนำมาเป็นมิตรเป็นสหายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนพานนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเข้าใกล้หรือไปคบหาแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคนพานเลยเมื่อไม่ได้ประโยชน์แล้วยังได้โทษจากการที่เราเข้าไปใกล้และเข้าไปคบหาสมาคมด้วยท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนที่ทาด้วยหญ้า ยอบจะไหมไปจนถึงยอดเรือนคือไหมหมดนะ่ชั้นใดการเข้าไปคบคนพานก็อย่างนั้นเหมือนกันในคำสอนอีกอย่างหนึ่งท่านอุปมาเหมือนอะไรนรชนใดย่อมใช้อะไรนะหญ้าคาผูกซึ่งปลาเน่าแม้หญ้าคาก็เหม็นเน่าด้วยมีกลิ่นฟุ้งไปชั้นใดการครบค้าสมาคมกับคนพานก็ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมท่านตรัสอย่างนั้น ก็แสดงว่าเมื่อเราครบกับคนพาลแล้วนี่เนี่ ย, นยคนพาล น, นั้นน่ก็จะนำอุปสรรคนำอันตรายนำเพศภัยที่ไม่ดีต่างๆนั้นเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยดังที่ท่านกล่าวว่าเหมือนกับการที่เราเอาใบไม้ไปห่อปลาที่เน่าก็ทำให้ใบไม้หรือสิ่งนั้นน่มันพลอยเน่าไปด้วยใช่ไหใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคำว่าพาลเนี่ย ลักษณะของคนพานเนี่ยเป็นยังไงท่านตรัสเข้าไว้ว่าลักษณะของคนพานเนี่ยมีอยู่สามประการเนี่สามประการคืออะไรรู้ไหมคนพานในเวลาจะพูดก็พูดชั่วเวลาจะทำก็ทำชั่วและเวลาจะคิดก็คิดชั่วโดวยสรุปตรงนี้ก็คือว่าคนพานนั้นประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอากุศลกรรมบทชสิบประการนนมีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอีกการกระทําทางกายถ้าทาอย่างนี้ชี้ชัดว่าเป็นคนพาณิชยเนี่ยคือคนพาณประการต่อมาก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบและพูดเพ้อเจอ้อนี่การกระทําออกทางวาจาถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือรักลักษณะของคนพาณประการที่สามคื อ, อยังไงคิดก็คิดชั่วไอ้คนที่เขาคิดชั่วก็คิดยังไงคิดโลภอยากได้ของเขาแล้วก็พยาบาทปองร้ายเขาและประการต่อมาก็คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อรู้ลักษณะของคนพาลอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านกล่าวบอกว่าพาลาธรร ม, มาเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายที่ทำให้บุคคลเป็นพาล น, นั้นคืออะไรคุณโยมว่าอะไรรู้ไหยลักษณะที่ทำให้บุคคลเป็นพาล น, นั้นท่านบอกอากุศลอากุศ ล, ศ ล, ลจิตหรืออากุศ ล, ละธรรมเช่นความโลภความโกรธและความหลงกงั้นความโลภความโกรธและความหลงเนี่ย ถามว่าและในขณะใดถ้าจิตเราเกิดความโกรธเกิดความโลภและเกิดความไม่รู้เกิดเห็นผิดขึ้นมาในขณะนั้นชี้ชัดว่าตอนนั้นใครเป็นผ่าน <Shiny. S 1> ก็ต้องเริ่มมาดูตัวเองแล้วเอ๊ะการที่เราบอกเอ๊ะเราไม่คบคนนั้นดีกว่าไม่คบคนนี้ดีกว่าทีนี้เราต้องหันมาตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะตอนเนี้ยความรู้สึกโลภเกิดขึ้นกับเราไหมความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นกับเราไหมความรู้สึกหลงเกิดขึ้นกับเราไหมความรู้สึก อุดทัศจ์ยาที่บอกฟุ้งซ่านลำคาญใจต่างๆเกิดขึ้นกับเราไหมเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับเรานั้นต้องถามว่าตอนนั้นพานอยู่ตรงไหนเพราะคนพานที่ท่านบอกว่าอยู่ไปสักว่าไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยแต่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยความหลงใช่ไม้มเขาบอกใช้คาว่าอีกคำห น, นึ่งเ่ยโดยมากใช้คำว่าอะไรนในอัตถกถาท่านบอกว่าสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไปวันวันหนึ่งเท่านั้น คือมีชีวิตเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกคือในการดําเนินชีวิตนั้นไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยเหตุผลของปัญญาไม่ได้ดําเนินชีวิตของปัญญาเลยหนึ่งฉะนั้นเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าก็ชี้ให้เห็นว่าการที่เราทั้งหลายไม่ได้อยู่ด้วยปัญญานั่นเองจึงเป็นโทษเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของความเป็นพานนั่นเ ฉะนั้นการฆ่าสัตว์ ร, รักษาประพฤติผิดในการเป็นต้นนะเป็นลักษณะของคนผ่านทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างนะบอกว่าใครเมื่อรู้ลักษณะของคนผ่านแล้วว่าใครเป็นผ่านท่านก็ยกตัวอย่างว่าในสมัยข้างพุทธกาลเนะี่ยมีใครบ้างอนะ่ะมีพระเทวทัตอย่างเนี้ยมีสุปพุทธะอย่างเนี้ใช่ไหมลักษณะของพระเทวทัตเหล่านี้เป็นต้นนะล้วนแต่เป็นผ่าน อ่าทำไมถึงบอกว่าพระเทวทัตเป็นผานเพราะพระเทวทัตนั้นมีกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นไปในเรื่องของทุจริทธเหมนไหเป็นไปในเรื่องของทุจริตฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นะคือท่านบอกว่าเป็นคนผานคุนยมลองมาสังเกตดูนะคำว่าเทวทัตนะนี่ยนะสองพันกว่าปีแล้วในประเทศไทยมีใครตั้งชื่อลูกหลานว่าเทวทัตมั้ยไม่มีเลยนะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบ ใช่ไหมทุกคนในปัจจุบันนี้เราจะหาดําริตั้งชื่อกันนะว่าเออถ้าตั้งชื่ออย่างนี้ดีเป็นมงคลเนะี่ยแต่เมื่อตรวจสอบตามมงคลสามสิบแปดแล้วไม่มีเลยฉะนั้นถ้าพ่อแม่ตั้งอะไรมาได้ก็ดีแล้วเนะี่ยเอาชื่อนั้นเนะ่ยเพราะมงคลหรือไม่มงคลนะ่ยอยู่ที่พฤติกรรมคือการแสดงออกนะคือการกระทําทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ว่ากงั้นคําว่าอย่าไปยินดีกับคนพาลเนนะี่ยและอย่าไปชอบใจการกระทำของคนพาลคืออย่างไร ถ้าหากว่าเราเห็นคนเขาทำชั่วทำไม่ดีอย่างเช่นว่าบางคนนี่นะโอ้โหทำชั่วอย่างรุนแรงเลยนะฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามอย่างโด่งดังเลยนะเนี่ยลหลายคนพากันชื่นชมแหมมันเก่งนะมันสามารถหลบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เห็นไหมที่ไปชื่นชมยินดีอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในขณะนั้นจิตของบุคคล น, นั้นเป็นอะไรเป็นพานลแล้วเพราะไปชื่นชม ยินดีกับบุคคลที่เป็นพานฉะนั้นการไม่คบคนพานนั้นท่านจึงจะว่าเป็นมงคลประการต่อมาท่านบอกว่าอะไรเมื่อท่านแสดงโทษของคนพานแล้วท่านก็แสดงถึงคุณของบัณฑิตที่บอกบัณฑิตตานั้นจะเสวนาการครบหาสมาคมกับบัณฑิตเป็นอุดมบงคลเพราะอะไรเพราะบัณฑิตประกอบไปด้วยกุศลกรรมบทสิบใช่ไหมทางด้านกายทางด้านวาจาและทางด้านใจ ก็แสดงว่าบัณฑิตนั้นเน่เวลาจะทำก็ทำดีเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะคิดก็คิดดีคำว่าทำดีในที่นั้นหมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพูดดีก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคิดดีก็คือว่าไม่คิดโลภอยากได้ของเขาไม่ทะยานอยากนั่นแหละแล้วก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาต และประการต่อมาก็คือเป็นผู้มีปัญญาไม่เห็นผิดคือเป็นคนไม่คิดชั่วนั่นแหละฉะนั้นลักษณะของบัณฑิตนั้นเน่เมื่อเราเข้าไปคบหาสมาคมแล้วเนี่ยก็สามารถเลยสามารถจะทำให้เรานั้นได้รับแสงสว่างได้รับความเจริญรุ่งเรืองการอยู่ใกล้บัณฑิตเนี่ยท่านเหมือนกับการอยู่ใกล้กับไฟเนเหมือนกับไฟที่ท่านให้แสงสว่างใช่ไม เมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้เราก็สามารถที่จะรู้ว่าตรงไหนมีเดินไปแล้วไม่มีโทษตรงไหนเดินไปแล้วมีโทษอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษและสแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณได้นีเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของบัณฑิตเข้าไว้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบัณฑิตนั้นเมื่อเราเข้าไปหาเข้าไปใกล้แล้วย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถามว่าใครหนอเป็นบัณฑิต ก็ต้องบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอารู้ได้ยังไงว่าพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตเพราะพระปรมาสสดาไม่มีอะไรไม่มีอาสวะกิเลสโลภะไม่มีแล้วโทสะไม่มีแล้วโมหะไม่มีแล้วคนสิ้นราคะโทสะโมหะท่านจึงบอกว่าเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ฉะนั้นเมื่อเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้แล้วจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยท่านจึงบอกเาไว้บอกว่า พระพุทธเจ้าก็ดีภาษารีบุตรก็ดีพระโมคคาณนาพระอนนท์ก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นบัณฑิตบุคคลประเภทนี้เมื่อเราเข้าครบหาสมาคมแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขเข้าถึงความเจริญคือได้รับมงคลอย่างเต็มที่นั่นเองบัณฑิตท่านเปรียบเหมือนกับของหอมมีกลิ่นาและดอกไม้หอมเป็นต้นนะนะคนที่คบกับบัณฑิตก็เหมือนกับใบไม้ที่ใช้ห่อของหอมใช่ไม่ใช่ย่อมจะพรอยหอมไปด้วย เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปใครๆเขาก็ปราถนาที่จะเข้าใกล้หมายถึงคนดีทั้งหลายนยถามว่าในปัจจุบันนี้คนพาลและบัณฑิตเนี่ยอย่างไหนมีมากกว่ากันอย่างนั้นต้องไปพิจารณาดูคุณโยมว่าอย่างไหนมีมากกว่ากันส่วนมากก็จะเห็นคนพาลมากนะฮะพอฟังไปฟังมาแล้วก็ค่อยๆนับพิจารณาตรึกว่าเอ๊ เราเข้าขายหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะคะในเรื่องของมุงคลสาสิบแปประการทีนี้พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการไม่คบคนพาลนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันก็ว่าเราต้องยอนิโสก่อนว่าเราคือคนพาลที่เข้าขายในนี้ด้วยหรือไม่แล้วเราก็จะได้เลือกได้ว่าเราควรจะคบใคร คนพาลหรือบัณฑิตแยกแยะ ก, กันออกแล้วนะคะทีนี้ก็คงจะอรัธนาพระอาจารย์ได้แสดงในเรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาต่อไปเลยค่ะเมื่อเรารู้ลักษณะของทั้งบัณฑิตและคนพาลแล้วเนี่ยขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าลักษณะของบัณฑิตเนี่ยนะเมื่อเราเข้าไปใกล้แล้วเนี่ย เราจะได้ประโยชน์จากการเข้าใกล้บัณฑิตนะมากเพราะว่าบัณฑิตนั้นจะนําประโยชน์ให้กับเรานะีทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยถ้าถามบอกว่าในปัจจุบันพระบรมศาสดาสเสด็จดับขันท้าปรินิพานแล้วเนี่ยพวกเราจะเข้าใกล้บัณฑิตได้อย่างไรและเราจะมั่นใจอย่างไรว่าใครเป็นบัณฑิต ก็ต้องบอกว่าถึงแม้พระบรมศาสดาสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัวแทนของพระองค์ยังมีอยู่เราสามารถที่จะศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาได้ซึ่งผ่านจากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านแสดงหรือบอกกล่าวคําสอนของพระบรมศาสดาได้ตรงวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละก็ต้องถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นบัณฑิตนะนแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีตรงนี้นนเป็นเรื่องที่เราต้องหลายต้องพิจารณาประการต่อมาก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าบูชาบุคคลที่ควรบูช า, ท, ชาที่ใช้คำว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตมังนะว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลเนี่ย ทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วแต่นี้ว่าคําว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเนี่ยคำว่าบูชาเนี่ยท่านแยกไว้เป็นสองประการนะเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งแล้วก็ธรรมบูชานั้นอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติบูบชาเนี่ยอามิสฐบูชานั้นท่านหมายถึงการบูชาด้วยอามิตรอามิตรหรือท่านจะบอกว่าเป็นแปละเหยื่อก็ได้หรือ บ, บูชาด้วยสิ่งของ ที่บอกอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสกล่าวคือสิ่งของนั้นก็หมายความว่าการให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศาายัยให้ยารักษาโรคอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชาเป็นอามิสบูชาถามว่าให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคเป็นต้นที่จัดว่าเป็นอามิสบูชานั้นน่ะทําไมจึงจัดอย่างนั้นท่านจัดว่าทานวัตถุทั้ง10ประ ก, การยกตัวอย่างเช่นว่า ข้าวน้ำที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ยานผ้านะเครื่องรูปไล่นะตลอดถึงเครื่องหอมเครื่องนอนแล้วก็เครื่องให้แสงสว่างทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นําไปให้เนี่ยถ้าให้ด้วยอะไรให้ด้วยจิตที่คิดจะบูชาคือบูชาใครบูชาคุณของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ตสาวกทั้งหลายตลอดถึงบูชาคุณของครูอาจารย์ทั้งหลายนั่นแหละอย่างนั้นเขาเรียกว่า เป็นอาิสบูชานะหรือถ้าอีกอย่างหนึ่งบางคนเ็าก็บูชาด้วยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างแล้วก็ทำมารมบ้างสีเนะี่ยหรือรูปต่างๆเนะี่ยถามว่าบูชาได้อย่างไรอย่างเช่นดอกไม้นะบางครั้งเราปารบสีเราก็าไปบูชาบางครั้งก็ปารบเสียงกันอย่างเช่นว่าบางครั้งเราเอาข้าวปลาอาหารไป บูชาไปถวายกับพระเป็นต้นหรือให้กับครูอาจารย์เนี่ยแล้วปรารภเสียงก็ได้นะเช่นว่าเวลาเคี้ยวแล้วเสียงมันดังอย่างนี้เป็นต้นนะนะบางคนก็ปรารภกลิ่นว่าโอ้กลิ่นหอมดีบางทีก็ปรารภรสบางทีก็ปรารภปรารภหลไรสัมผัสคือมันนุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะนะฉะนั้นโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการบูชาด้วยอาหมิสนะนะถ้าในทางด้านของพระวินยัยท่านก็เอาเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ใช่ไหมใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกเป็นการบูชาเช่นบางครั้งเราจะนึกถึงพ่อแม่อยากจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แท้จริงเรานึกถึงใครนึกถึงคุณของท่านเมื่อเรานึกถึงคุณของท่านแล้วก็เอาที่นอนไปให้ท่านเอาข้าวปลาอาหารไปให้ท่านเอายารักษาโรคไปให้ท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาคุณของท่านเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เนี่ยทีนี้ถ้ามาเรียงลําดับการบูชาแล้วเนี่ย ท่านให้พิจารณาถึงบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วเป็นอะไรเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลนั้นสูงสุดในคำสอนท่านยกใครท่านยกนายสุมณมาลาการท่านยกอย่างนั้นนะนะอ่าทัไมจึงยกนายสุมณมาลาการท่านยกบอกว่านายสุมณมาลาการเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมด้วยของหอมในที่นั้นคืออะไร คือดอกไม้คือมีอยู่วันหนึ่งนายสุมวลมาลาการนี่แกเก็บดอกไม้และแกก็จะเข้าไปในพระราชวังเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์ในการที่จะนำของหอมนำดอกไม้นั้นไปบูชาใครไปบูชาพระเจ้าแผ่นดินเอาไปถาวายในวังเหมือนกันเลย แต่ในวันนั้นในขณะที่นายสมมนมาลาการเดินทางนั้นไปเจอใครไปพบพระพุทธเจ้าในระหว่างทางเมื่อไปเห็นพระบรมศ า, ศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเกิดจิตที่คิดเลื่อมใสขึ้นมาเพราะจิตที่คิดเลื่อมใสเพราะเห็นมหาปุริสละขนาด 3.2 ประการและอนุพยัญชนะสัก 8.4 ประการของพระบรมศาสดาแล้วจิตก็น้อมไปเพื่อที่จะบูชาไหมจิตคิดจะน้อมไปเพื่อบูชาแล้ว ตนเองก็มีดอกไม้อยู่8ปดกำมือดําบลิขึ้นมาทันทีว่าดอกไม้นี้ถ้าเอาให้พระเจ้าแผ่นดินเราก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน100ร้อยกะหาปันนะอย่างดีไม่เกินหนึ่งพันกะหาปันนะในวันนี้เราศรัทธาพระบรมศาสดาอย่างมั่นคงฉะนั้นปรารถนาจะบูชาพระบรมศาสดาด้วยเครื่องหอมของหอมประเภทนี้ด้วยดอกไม้ก็เลยบรรจงในการโยนดอกไม้โยนขึ้นไป ถึงแดกำมือดอกไม้นั้นก็ลอยไปเป็นเลือนยอดฉัดเนยนะกลางกั้นพระบรมศาสดาในขณะนั้นพระบรมศาสดาก็แย้มแย้มแบบยิ้มมาเนีพอแย้มแบบยิ้มนั้นลัทัศมีหมายความว่าก็ฉายแวบออกมานั่นเป็นปกติของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเวลาจะยิ้มเนี่ยจะแย้มเน่พระองค์มีเหตุต่อมาพระอนุนก็ถามว่าไม่ทราบว่าพระบรมศาสดานั้นทรงแย้มเพราะสาเหตุอันใด พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนนาะยนายสมุนมาลาการนี้เนี่ยจติหมายความว่าตายจากมนุษย์แล้วจะไปปฏิสนธิเป็นมนุษย์และเทวดาอีกแสนเป็นแสนปีเป็นแสนกลับคือจะไม่ลงมาเกิดในใบยภูมิเลยนะและเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยนายสมุนมาลาการเนี่ยจะได้ไปตรัสได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพบพุทธเจ้ามีนามว่าสุมณิสร สมณิส ร, รคือผู้เป็นใหญ่นั่นเองด้วยอนุภาพแห่งการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้แม้ครั้งเดียวญาติโยมทั้งหลายเห็นไหมว่าทําไมการบูชาพุทธเจ้าจึงมีอานิสงส์มากมายขนาดนั้นเหตุที่มีอานิสงส์มากมายขนาดนั้นเพราะว่าพระบรมศาสดา ส, ดาสั่งสมบารมีมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณและวิมุตติญาณทัศนคุณเนอะฉะนั้นถ้าเราได้บูชาบุคคลที่ไม่มีกิเลสโดยเฉพาะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงเป็นจึงมีพรานิสง์มากฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้บูชาพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงได้บูชาบิดามารดาครัวจานนั้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา แต่ใครสูงสุดอย่างไรโยมทั้งหลายก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงความสําเร็จเข้าถึงความเจริญได้นี้เป็นอย่างนี้เนะี่ยขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ปหลัดสมทบประกะโมวัดกลางบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีดิฉันวรรณการข่าวราบขออนุโมทนาสวัสดีคะ่ะ ขอนำท่านผู้ฟังได้มาในมันสการแล้วก็ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ปหลัดสมทบปรักโมนมรสการพระอาจารย์ค่ะก็ขอเจริญพรพุทธบริษัททุกๆ ท, ท่านนะนีในวันนี้จะได้พูดในเรื่องของมงคลตามที่คุณโยมได้สอบถามมาในมงคลที่ท่านตรัสเอาไว้ที่บอกว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรคําว่าประเทศที่สมควรนะั้นะนะนะได้แก่ที่ที่พุทธบริษัทสี่ หมายความว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของพระพุทธเจ้านั้นอาศัยอยู่ต่อรถึงหมายความว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพุทธบริษัทนั่นเองนั้นประการหนึ่งนะส่วนประการต่อมาท่านบอกว่าหมายความว่าเป็นที่ที่บุญกิริยวัตถุมีทานกุศลเป็นต้นเนะี่ยดำเนินไปก็หมายความว่ายังไงก็หมายความว่า ทานนามัยบุญกิริยวัตถุนี่ที่บอกบุญในการให้ปันสิ่งของศีลเกี่ยวในเรื่องความประพฤติการรักษาศีลการมีระเบียบวินยัยหรือว่าภาวนานั้นหมายถึงว่าการอบรมจิตใจและการเจริญปัญญาเกี่ยวในเรื่องของทานศีลภาวนาเป็นต้นนั่ น, นตลอดถึงเกี่ยวในเรื่องของเวียวจจะปฏิทานะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวทีนี้ว่า โดยสรุปก็คือว่ามีสถานที่ที่ว่าบุญกิริยาวัตถุนั้นเน่ยเป็นที่ดําเนินไปของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลโดยย่อท่านจัดไว้อย่างนั้นประการต่อมาก็คือว่าเป็นที่ที่คําสอนของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าเกี่ยวกันในเรื่องของคําสอนมีสุตตะเคยะเวยยากรณาเป็นต้น ในที่นี้ถ้าจะสรุปลงก็คือว่ามีคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นไปในส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิธรรมปิฎกดำเนินไปอยู่นั้นท่านก็เรียกว่าเป็นประเทศที่สมควรหรือเรียกว่าเป็นมัชชิมะประเทศกันประการต่อมาก็บอกว่าในปัจจุบันนะถ้าเราจะระลึกดูเนี่ยตามหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ย ก็หมายถึงว่าสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสถานที่ที่พระโรมัสสดาสแสดงธรรมจักรกับประวัตนาสูตรให้เป็นไปหรือสถานที่ควงโคนต้นม่วงมะม่วงอของนายคันทะอันเป็นที่สถานที่ที่พระรมัสสดาสแสดงยะมะกับปฏิหารเพื่อทําลายทิฏฐีของพวกเดรถีให้สิ้นไป แล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ไปสเสด็จไปที่เมืองสังกษะที่หลังจากนั้นก็ไปเทศนาโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงลักษณะของสถานที่อีกอย่างหนึ่งก็คือราชครือกดีสาวัตถีสถานที่เหล่านี้นั้นล้วนจะเป็นสถานที่ที่เป็นปฏิรูประเทศคือประเทศที่สมควรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นสถานที่ทีๆๆๆ่ บุคคลได้ได้เห็นหมายความว่าได้ทัศนานุตริยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นนะนะบุคคลทั้งหลายเขาได้เห็นพระพุทธเจ้ากันหรือถ้าในปัจจุบันนี่ถ้าเราจะมองดูนะว่าถึงแม้พระบรมศาสดาสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วนี่ยแต่ก็มีภิกษุสงฆ์สาวกซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ยังดําเนินลอยตามพระบรมศาสดาอยู่ฉะนั้นถ้าเราได้เห็นผู้ที่ประพฤติดีในทางด้านของที่เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเป็นต้นเนี่ยถ้าเรามองด้วยเมตตาจิตในขณะที่เราเห็นพระคุณพระภิกษุสมมาเนเนี่ยจาริกบินทบาทเป็นต้นเนี่ยนะเราก็มองท่าน ด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาในขณะนั้นก็เป็นทัศนานุตริยะแก่บุคคลคนนั้นคือเขามองแล้วเนะี่ยจิตเขาประกอบไปด้วยเมตตาหรือบางทีเนี่ยนะถ้าเรามีโอกาสเราก็กราบเคารพท่านแบบเบญจางคปาดิษบถ้าหากไม่มีโอกาสอย่างนั้นเราอาจจะยืนไหว้ท่านตามการอันควรหรือว่าแม้แต่จะยกมือไหว้ก็ไหว้ไม่ได้ เพียงแต่มองท่านแล้วก็ด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาเพื่อเป็นสื่อในการนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาที่พวกเราทั้งหลายเคารพและศรัทธาอย่างมั่นคงในลักษณะอย่างนั้นน่ยการอยู่ในประเทศสมควรนั้นเน่ยเบื้องต้นเนี่ยนะก็ยังสามารถทําบุญให้เราให้บุญนั้นเกิดขึ้นในเราได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทา น, นกุศลศีลกุศลสูงไปก็คือภาวนากุศลที่เป็นไปในส่วนของสมถะ ภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาให้ดําเนินไปได้แต่ถ้าหากตามหลักอัตถกถ า, าอีกอย่างหนึ่งนะั้นน่ยท่านก็บอกว่าท่านกําหนดทิศนะคำว่ามัชชิมชนบทหรือมัชชิมประเทศนะั้นน่ยท่านก็กําหนดว่าหมายถึงเอาความกว้างของประเทศนะั้นอ่ะยาวประมาณสามร้อยโยกดกว้างประมาณ2องร้ยห้าสิโยศรวมเบ็ดเสร็จก็คือประมาณเก้าร้อยโยศ แล้วก็เป็นสถานที่อะไรสถานที่ที่พระเจ้าจากักรพรรดิถ้าว่าไงเ้าหมายความว่าไอ้คาว่ามัชชิมประเทศหรือปฏิรูประเทศเนี่ยนะที่ประเทศซึ่สมควรเนะี่ยเป็นที่อยู่อันเป็นมงคลเพราะอะไรรู้ไหยเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเวลาจะอุบัติก็ต้องอุบัติในสถานที่ที่เป็นมัชชิมประเทศหรือเป็นปฏิรูประเทศ พระโมคคลานะซึ่งเป็นอัการาสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัการาสาวกเบื้องขวาที่มาที่บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเวลาจะมาบังเกิดก็ต้องบังเกิดในมชิมประเทศ <Okay. S 1> พระปัจเจกพรพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาสองอสงไขยแสนกับเนี่ยเวลาจะมาบังเกิดก็ต้องมาบังเกิดที่ปฏิรูปประเทศหรือมชิมาประเทศ พระพุทธเจ้าที่สร้างบา ร, รมีมาสี่อสองไข่บ้างแปดอสองไข่บ้างสิบหกอสองไข่บ้างเนี่ยแล้วแต่บุคคลเนี่ยล้วนแต่ว่ามาเกิดในประเทศที่เป็นมัชชิมะประเทศหรือปฏิรูปประเทศทั้งนั้นทีนี้เมื่อบุคคลเหล่านี้แล้วมาเกิดแล้วถามว่าพวกเราจะได้อะไรนั่นสิถ้าหากว่าพระจกักรพรรดิหรือพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมาเกิดในมัชชิมประเทศแล้วท่านก็จะให้โอวาทแกประชาชน โอวาทที่ท่านให้ก็คือว่าให้ประชาชนนั้นดํารงหรือตั้งมั่นในศี่ห้ามีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นก็สามารถทําให้บุคคลนั้นไปสู่สุขติมีมนุษย์สมบัติและสวรรคสมบัติได้ถ้าสัตวทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของท่านหรือถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของพระปัจเจกับพพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะได้สุขติเป็นไปในเบื้องหน้าคือการได้ มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติแต่ถ้าว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยย่อมจะได้สุขติหมายความว่าได้มนุษยสมบัติสวรรคสมบัติสูงไปกว่านั้นก็คือนิพพานสมบัติฉะนั้นการอยู่ในประเทศที่สมควรซึ่งมีคำสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินไปอยู่นั้นน่ยจึงเป็นประเทศที่สมควรและเราจะได้ประโยชน์อย่างนั้นจริงๆค่ะ ก็เป็นที่ทราบแล้วนะคะว่าอย่างเรามีโอกาสที่เกิดในปฏิรูปประเทศ เ, เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสน า, เ, าเป็นศาสนาซึ่งให้โอกาสพวกเราได้นับถือกันได้ประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อจะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการนะคะค่ะพระอาจารย์คะทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าความเป็นผู้มีบุญ อันทำไว้แล้วในการก่อนเนี่ยอยากจะทราบถึงรายละเอียดว่าออมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะก็จะตอบคำว่าปเุเพกะตะปุญญาตาเนี่ยขอเสริมตรงนี้นิดนะขอขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งว่า เ, ออเราทั้งหลายเนี่ยแม้ถ้าบางพิจารณาดูประเทศไทยถ้าจะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ถือว่าเป็นมัชชิมประเทศหรือแปลว่าเป็นปฏิรูประเทศจะได้ไหมก็ต้องมาพิจารณาอย่างนี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูที่ว่า<อ>บุญกิริยาวัตถุมี<อ>ท า, น, น, ากนกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยดําเนินไปอยู่ไหมก็หมายความว่าในชีวิตประจําวันของคนไทยเนี่ย ยังดําเนินไปในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลไหมคุณยอมว่าดําเนินไปไหมดําเนินค่ะทีนี้ปัญหาก็ตามลงมาอีกระดับนึ่งก็คือว่าเมื่อดําเนินไปแล้วนี่มีความเข้าใจในการปฏิบัติในทานกุศลศีลกุศลมากน้อยเพียงไรอันนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างน้อยอ่นะคะเพราะว่าแค่พูดกันถึงเรื่องของทานเรื่องของบุญ เรื่องของกรรมหลายคนก็ทำทานทำบุญโดยไม่ทราบว่าบุญคืออะไรทานคืออะไรแล้วก็บุญกับทานเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมต้องแยกกันไหมว่าให้บุคคลประเภทนี้เรียกว่าทำบุญให้บุคคลประเภทนี้เรียกว่าทำทานหรือคำว่ากรรมหลายคนก็ตีความเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำดีเรียกว่าบุญถ้าทำไม่ดีเรียกว่ากรรม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอารัธนาพระอาจารย์ช่วยกรุณาไขาข้อข้องใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่เข้าใจถึงจะอยู่ในปฏิรูปประเทศแต่ไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าในประเทศไทยของเรานี้โชคดีแล้วที่เรามีพระพุทธศาสนาแต่ควรจะ ประพฤติปฏิบัติอย่างไรถึงจะขึ้นชื่อว่าเราอยู่ในปฏิรูประเทศในประเทศไทยของเรานี้แล้วพุทธศาสนิกชนควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรค่ะเกี่ยวในเรื่องของคําว่าบุญเนี่ยดังที่คุณยอมได้ถามมาเนี่ยก็ประเด็นตรงที่โอกว่าได้ตั้งประเด็นว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นมัชชิมประเทศหรือเป็นปฏิรูประเทศซึ่งถ้ามองกันโดยส่วนกว้างแล้วเป็นจริงๆเนี่ยแต่ว่า ถ้าหากมองในวงแคบเข้ามาว่าบุคคลที่เข้าใจในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุนั้นมากน้อยเพียงไรนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปถ้าเป็นบุคคลที่มีการศึกษามนศิการและฟังคำสอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุได้พอสมควรดังที่ได้บอกว่าบุญเนี่ยนะบุญนั้นเป็นเครื่องชาระ เป็นเครื่องชำระจิตของตนเองให้สะอาดจากเครื่องเศร้าหมองมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นนั้นเป็นธรรมชาติของบุญเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้บุญนั้นมันตรงกันข้ามกับบาปไม่ใช่ตรงกันข้ามกับกรรมถามว่ากรรมนั้นแปลว่าการกระทําถ้ากระทาดีเขาเรียกกุศลลกรรมถ้ากระทาชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมถ้ากระทาดีนั่นก็คือบุญนั่นเองถ้ากระทาไม่ดีก็คือบาปโดยสรุปสั้นๆนั้นตรงนี้นะแต่ที่บอกว่า ประเทศไทยนั้นมีบุญกียรติวัตถุยังมีบุคคลประพฤติในบุญเกียรติวัตถุทั้งสิบมีทา น, นากุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นเป็นมัชิมประเทศด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่อยู่ในประเทศที่สมควรเพราะมีการบำเพ็ญบุญกุศลตามในย่าของบุญเกียรติวัตถุทั้งสิบประการอยู่ประการต่อมาก็คือว่าการเจริญอรอยิยมัติมีองค์แปด หมายความว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมมันตะการทำการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวาามะเพียนชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะเนถามว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นยังมีอยู่ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังอบรมยังเจริญอรยมรรคมีองค์แปดประการอยู่ประเทศไทยเราก็จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สมควรจัดว่าเป็นที่อยู่อันเป็นมงคลฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้อยู่ในประเทศที่อันสมควรและเป็นม ง, มงคลอย่างนี้แล้วก็ควรประพฤติแต่สิ่งที่เป็นมงคล อันจะนำแต่ความสุขความสวัสดีและความเจริญมาสู่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่พวกเราทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ค่ะประการต่อมาก็คือที่คุโยมถามข้อว่าปุเพกระตะปุญญาตาค่ะการได้ทำบุญไว้ในปางก่อนในข้อนี้คาว่าการได้กระทำบุญในในปางก่อนนั้นคือการได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีต และการสั่งสมบุญไว้ในอดีตนั้นเป็นการสั่งสมไว้โดยการปารบไข่ปารบพระพุทธเจ้าพระประเจกับพะพุทธเจ้าและพระขีณาศพทีนี้ถ้าจะถามว่าการจะได้ทําบุญไว้ในปางก่อนจะเป็นมงคลอย่างไรนั้นนะก็ต้องมาพิจารณาอีกทีว่าเอ๊ะทําไมบุญกุศลเนะี่ยที่เราทําไว้จึงเป็นมงคลเคยได้กล่าวไว้ที่บรรยายธรรมหลายครั้งว่า บุญกุศลนั้นเป็นปุพการีนค่ะบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ในปางก่อนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะระลึกอะทำไมจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะระลึกเพราะบุญนั้นมีอุปการะคุณเพราะว่าอะไรบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ในบางก่อนนั้นมีศรัทธาสติเป็นต้นเนะี่ยนะมีศัต ทาวุริยสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นในด้านของอินทรีย์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ปารภได้กระทำไว้หรือว่ากุศลที่สั่งสมไว้ในอดีตโดยการปารภพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นนะบุญกุศลทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ในปางก่อนนั้นเมื่อมาในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเราได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแม้เพียงสี่บาทพระคาถา เพียงสั้นๆและย่อๆไอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสมมติเนี่ยฟังแค่สามบาทคาถาอย่างเงี้ยเทวดาและมนุษย์ได้บรรลุเป็นสิบแปดโกดิ้เทวดาบรรลุสิบปดโกดิ้งเฮีย hmm. ท, ที่เขาได้บรรลุอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขามีปุเพกตาบุญญาตาอ๋อค่ะทั้นการสั่งสมบุญไว้เนี่ยมันดีนะคือดีอย่างนี้ ถ้าเราจะพิจารณาอีกทีก็คือว่าคนบางคนเกิดมาในโลกใบนี้นยอมลองสังเกตดูที่ว่าเขาเหนื่อยไม่มากแต่เขารวยมากคือเขาไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากและบางคนก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเขาก็สวยมากบางคนก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะแต่เขาก็โอโหชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ดีมากนั้นแสดงเห็นชัดว่าแรงแนอดีตเหตุแ น, นอดีตเขาดีมากคําว่าปุเพกตาปุญญาตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาถึงพวกเราว่าเราเนี่ยที่มาได้หรืออัตภาพที่เราเป็นอยู่ได้นี่เรามาได้ด้วยบุญนะมาด้วยกุศลนะมาด้วยปุเพกะตะปุญญาตาของเราดีนะนี่คือตัวอย่างที่จะยกให้เห็นอีกอย่างก็คือว่าถ้าในสมัยครั้งพุทธกาลที่ยกให้เห็นในชัดเจนก็คือว่าพระพายยะทาโรจิริยะท่านสั่งสมบุญมาในอดีต ด, ดีมาก เป็นผู้ที่มีปุเพกะตะปุญญาตามาดีต่อมานั้นท่านไปค้าขายเรือสำเพาเ็ตล่มต่อมานั้นเกิดว่าคนเน้นตายกันหมดนะเนี่ยแกเกาะไม้ลอยไปได้คนเดียวแล้วขึ้นฝั่งไปได้อีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งทีนี้พอขึ้นฝั่งไปแล้วผลปรากฏว่าเสื้อผ้าแกไม่มีแกก็เลยถ้าแกนุ่งเสือ้อผ้า ทุกคนมาเห็นก็พากันเคารพแก่นึกว่าแกเป็นพระอรหันเนื้อเหตุที่นึกว่าแกเป็นพระอรหรันน่ะแกก็เลยสำคัญตนเองได้มาอยู่ต่อมาก็แกเป็นอรหันด้วยทีนี้ด้วยบุญเก่าแกมาดีสั่งสมมาดีเนี่ยเพื่อนในอดีตซึ่งเป็นพรหมเนี่ยต้องลงมาสกิดบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอรหรันเพราะว่าพระอรหันและปฏิปทาของพระอรหันไม่ได้เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติของพระอรหันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านปฏิบัติอยู่ พอท่านฟังอย่างนั้นก็เกิดสลดใจทันทีถามเพื่อนว่าแล้วพ่ายหลานตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ที่สาวัตถีท่านเดินทางทันทีฉะนั้นท่านเบลอนแลมเดินทางมาทันทีไปพบพระพุทธเจ้าในขณะที่เดินบินทบาตขอยพระเจ้าแสดงถามพระเจ้ายังไม่แสดงเดินไปเรื่อยๆจนพระเจ้าพิจารณาจนว่าอินทรีย์ของท่านแก่กล้าแล้วจึงแสดงทำเพียงไม่กี่บาทคาถา เพียงก็บอกดูก่อนภายะเมื่อเห็นจักประมาณเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเธอจงปักจักประมาณได้ยินเป็นต้นนี่ยนะเพียงสอนไม่กี่คําท่านมนสิ ก, การคําสอนของพุทธเจ้าพิจารณาแล้วละฉันทราคาคือความยินดีพอใจในขันมันรู้เป็นพระอรหันต์อันนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยในการทํามาดีนี่คือปุเพกะตะปุญญตาของท่านมาดีหรืออีกท่านหนึ่งก็คือว่าพระเจ้ามหากรีณนะ และพระนางอโนชาอโนชาเทวีอัครมเหสีนี่พระมหากรินนานี่เป็นเป็นมหากษัตริเป็นพระกษัตริย์อเป็นมหากษัตริย์พระเจ้ามหากปินนาเนี่ยเป็นเป็นกษัตริย์ครองเมืองอยู่ต่อมาเนี่ยนะมีพ่อค้าเดินทางมาจากสาวกถีมาค้าขายที่เมืองของท่านท่านก็ถามว่าที่เมืองของท่านเนี่ยมีอะไรที่ดีที่สุด พ่อค้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเพียงได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นปิติของท่านเกิดโดดแล่นเลยศรัทธาพุ่งเต็มที่เห็นไหมแล้วท่านก็พระราชทานทรัพย์สมบัติให้กับให้กับพวกพ่อค้าทันทีถ้ามานึกถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกเราสวดพุทธคุณกันมากี่พันครั้งปีติเกิดบ้างหรือไม่ นั่นเป็นข้อเชื่อีเห็นว่าบุญเราไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาจเจริญกุศลเมื่อไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะนะมันน้อยบางทีไปไปมามาถ้าหยุดฟังทำกันเสียเมื่อไหร่พอยไม่เชื่อคําสอนไปเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะบุญเราไม่ดีเมื่อบุญเก่าไม่ดีเนี่ยมันจึงต้องสร้างบุญใหม่แรงหน่อยก็แค่นั้นเองมันเหมือนกับคนที่ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยในด้านทานกุศลมาเนี่ยในปัจจุบันชาติจงต้องพยายามทั้งชีวิต พยายามตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนยะแต่ก็เหลือซัพเพียงนิดหน่อยให้กับลูกหลานเท่านั้นเองทั้งชีวิตนะพยายามนะได้แค่นั้นแหละเพราะอะไรปุกเพกระตับปุญญาตาไม่ค่อยดีเหมือนบางคนพยายามอยากจะสวยนะอยากจะทำให้ดีเนะี่ยนยพยายามทั้งชีวิตแต่พยายามไปพยายามมายิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งไปตกแต่งยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้กลับมาก็เลยเป็นโทษใหญ่เพราะอะไรศีลในอดีต คือการสั่งสมในเรื่องของศีลกุศลมาไม่ค่อยดีเนี่ยบางคนก็พยายามจังนะทางด้านของปัญญาเนี่ยนะพยายามทั้งชีวิตเนี่ยพยายามจนถึงขนาดเครียดบ้าไปเลยยอมเรียนยอมเครียดยอมอะไรต่างๆทุ่มเทอยาก ใ, ให้ทันเพื่อนเขาเห็นหม้ไห้คําว่าบุญเก่าที่มันสั่งสมมาไม่เพียงพอเนี่ยมันเป็นโทษเลยนะถ้าเราเพียนไม่ถูกนะเพียนผิดขึ้นมาก็เป็นโทษแก่การดํารงอยู่ของอัตภาพนั้น ฉะนั้นยกตัวอย่างที่ว่าเอออโนชาอคร ม, มเหสีเนี่ยซึ่งเป็นพระมะเหสีของพระเจ้ากัปินามหากัปปินาเนี่ยเพียงได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสองฆ์อุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นปีติก็โลดแล่นเมื่อปีติโลดแล่นแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติทันทีนั้นพ อ, พอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสละทรัพสมบัติสละราชบัลลังก์ ออกบวชแล้วได้บรรลุหรือว่าพระเป้ามหากาพินะก็เช่นเดียวกันครับเพียงได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็ลดแล่นเลยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าแปลกใจนะว่าทําไมเราฟังทำกันขนาดนี้เราเจอพระกันเป็นร้อยร้อยครั้งเรากราบพระกันจนสวดมนต์กันขนาดนี้มันยังได้แค่นี้เลยให้คิดเสียว่าการสั่งสมบุญของแต่และบุคคลไม่เพียงพอเนะย ฉะนั้นบุคคลที่สั่งสมบุญไว้ดีเนี่ยเวลาเขามาเจริญกุศลมาต่อกุศลเขาเนี่ยเขาก็าไปได้ดีแต่ปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยที่จะชี้ตรงนี้เนะว่าบางคนสั่งสมบุญไว้ดีนะทำบุญไว้ดีมากแต่พอมาปัจจุบันแล้วลืมบุญ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นอะไรค่ะ <c oughs> ไม่มีไม่มีกระตะเวที ไม่ตอบแทนบุญของตอนเองไม่ตอบแทนบุญกุศลที่ตนเองเคยมีมาก็คือว่ามันเหมือนกับเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยตอนท่านแก่เท่าแล้วท่านทําให้เราไม่ได้เราต้องตอบแทนท่านปู่ย่าตายาย<อ>เช่นเดียวกันบุญกุศลเนี่ยเวลาเขาส่งผลให้เราเนี่ยเขาก็หมดเป็น<อ>ฉะนั้นเมื่อหมดเป็นแล้วถ้าเราไม่ตอบแทนบุญเนี่ย เราจะมีอัตภาพในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นหรือมีเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเป็นต้นเราก็ไม่ได้แล้วเพราะบุญเนี่ยถามว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงผลของบุญเน่ยเที่ยงไหมผลของบุญก็ไม่เที่ยงเนาะเพราะมันมีแล้วมันก็หมดมันริบากที่เราได้รับกันอยู่ใช่ไหมเหมือนกับว่าความรวยทั้งหลายหรือว่าอัตภาพความงามทั้งหลายเนี่ยถามว่าใครสามารถงามตั้งแต่ตั้งแต่เกิดยันตายได้ ตรงนั้นก็พิจรารณาได้นะแล้วก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความจริงอย่างนั้นที่พิจรารณาให้ให้มากไปกว่า น, นั้นก็คือว่าวิบากของบุญทุกประเภทเน่นะล้วนแต่มีความเสื่อมสิ้นสลายไปตามกาลเวลาความร่ำรวยก็มีความยากจนนั่นแหละเป็นที่สุดน่ก็เหมือนที่จะจะบอกว่าร่างกายมีความเจ็บไข้เป็นที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุด น, นั่นแหละ ฉะนั้นของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันมีไว้ช่วการช่วเวลาระยะเวลาเท่านั้นเองเมื่อมันหมดเหตุมลนปัจจัยมันก็หมดฉะนั้นในลักษณะที่เป็นอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าเมื่อเราระลึกอย่างนี้แล้วต้องไม่ลืมตนนะอย่าเป็นคนลืมนี่นี่เป็นยังไงค่ะอย่างเช่นนายกอไปเจอนายขอเขามีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสมบุญมาตั้งแต่ปางก่อนด้วยกันหรือว่าเป็นปุเพได้ไหมคะท่านคำว่าปุเพกตปุญญาตานี่ในตามความหมายจริงๆท่านหมายความว่าได้สั่งสมบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการมาในปางก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าคนคนนี้เป็นปุเพสันนิวาสกันนะบุเพกตปุญญาตาได้เคยทำบุญด้วยกันนะตรงนั้นมันก็ถูก ก็แปลว่าเคยให้ทานร่วมกันรักษาศีลร่วมกันเจริญภาวนาร่วมกันเป็นต้นนั่ยนะเคยสร้างอัธยาศัยสอดคล้องกันมาก็มีโอกาสได้พบเจอเจอกันแล้วก็ได้ประกอบคุณความดีร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นก็ชื่อว่าสั่งสมบุญมาดีเป็นการสั่งสมบุญมาในทางก่อนเหมือนกันเลยนะค่ะทีนี้ตรงนี้พระอาจารย์จะฝาก ก็คิดเห็นอย่างไรในเรื่องของบุพเพกะตะบุญญาตาสําหรับท่านผู้ฟังก <g ül> ็ให้พิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอย่าไปท้อถอยนะจิตใจยอย่าไปเบื่อหน่ายในการทําคุณความดีนะอ ย, ย่างหลายๆคนนะไปเจริญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลที่สุดจริงๆเจริญภาวนานบางทีตนเองก็ทําไม่ได้เพียงครั้งเดียวก็ท้อถอยแล้วเนี่ยให้นึกถึงว่าบุญเก่าเราสั่งสมมาแค่ไหนเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้เกิดคันติ ความอดทนแล้วจะได้เกิดวิริยะความตั้งมั่นสืบต่อไปแต่พระอาจารย์คะพอพูดตรงนี้แล้วอดที่จะถามต่อไม่ได้นะคะบางคนสำหรับพบนี้ชาตินี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาสร้างทานศีลภาวนามาพอสมควร แต่ฉะไหนาอาจจะเกี่ยวข้องกับปุเพกตะบุญญาตาไหมคะว่าชาตินี้พบนี้เนี่ยอาจจะถูกเบียดเบียนโดยตลอดทั้งทางกายทางใจทำให้มีความรู้สึกว่าทำไมกรรมเก่าเนี่ยมันจะส่งผลแรงมากจนชีวิตนี้เนี่ยต้องถูกกระทำหลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพระจารย์จะให้เขามานาสิการว่ายังไงคะ เกี่ยวกัเรื่องต่างๆตรงนี้นยแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ม, มันมันธรรมชาติในการที่เราจะต้องเกิดมานั้นะน่ยสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นน่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดต่อสิ่งนั้นและเข้าใจสิ่งนั้นอย่างไรมันเหมือนกับทําไมปลาถึงอยู่กับความร้อนในอุณหภูมิที่ร้อนสุดๆบางที่ยังมีปลาก็อยู่ได้หรืออุณหภูมิที่เย็นที่สุดเน่ยที่ขั้วโลกเลยทําไมมีปลามีสิ่งมีชีวิตเท่าอยู่ได้ แต่ก็ต้องมาดูว่าเรานั้นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเรามานติการแล้ววางใจต่อสิ่งนั้นอย่างไรทำไมสิ่งมีชีวิตถึงอยู่ได้ในทั้งสองมิติดังที่ได้ยกตัวอย่างมาฉะนั้นการที่เราจะอยู่สิ่งนั้นและเราเข้าใจและเราจะปรับกายวาจาและจิตใจของเราให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้อย่างไรและก็วางใจต่อสิ่งนั้นอย่างไรอันนั้นก็ต้องไปพิจารณาดูนะว่าว่าตรงนั้นนะวางใจถูกแล้วหรือยังถ้าเราวางใจไม่ถูก แมแ้เราถูกกระทําในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเหตุปัจจัยในอดีตและเหตุปัจจัยในปัจจุบันร่วมกันเนี่ยทีนี้บางทีถูกและกระทําต่างๆนาน า, น า, นานแล้วได้รับความเจ็บปวดแล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกที่เราไปซ้ําเติมตัวเองนั้นะถามว่าไตรงนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่น่าเป็นห่วงมากกว่าด้วยซ้ําไปฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเราวางใจกับสิ่งนั้นถูกต้องหรือ ย, ยังแล้วก็ให้พิจารณาเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนอย่างไร พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะไปตรงกับมงคลข้อที่สามในคาถาที่สองที่บอกว่าอัตตาสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบก็หมายความว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือเจอในสิ่งที่ดีที่งามอย่างใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องตั้งตนให้ถูกต้องเช่นว่าตนเองถูกกระทาไม่ดีเรากลัวในขณะที่เรามีความรู้สึกกลัวเรามีรู้สึกที่ เกิดทุกทรมานแล้วเราก็โกรธแล้วก็น้อยใจแล้วก็อาฆาตแล้วก็พยาบาทในขณะนั้นเราตั้งจิตเราไว้ผิดถ้าบุคคลที่มีอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบนั้นคือว่าอะไรตนไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนเองให้มีศรัทธาตนเองไม่มีศีลก็ตั้งตนเองให้มีศีลใช่ไหมกายวาจาของตนเองไม่เคยประพฤติปฏิบัติในศีลเลยเนี่ยก็เอากายวาจาของตนเองนั้นมาตั้งอยู่ในศีลโดยมี ใจนั่นเองเป็นตัวนําเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาก็ตั้งกายวาจาของตนเองด้วยการระลึกสวดมนต์ก็ดีหรือสาธยายคําสอนก็ดีและก็สมาทานศีลก็ดีลักษณะอย่างนี้ว่าตนเป็นผู้ไม่มีศีลก็ตั้งตนอยู่ในความไม่มีศีลตนไม่มีศรัทธาก็ตั้งอยู่ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหากตนเป็นคนตณีก็ยังความให้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการสละคือการแบ่งปันเนี่ย ก็หมายความว่าถ้าตนเป็นบุคคลที่ยังคิดผิดก็พยายามนึกและคิดแล้วก็ตั้งความรู้สึกให้ถูกลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบและการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยต้องตั้งบ่อยๆหมายความว่าจิตที่คิดจะตั้งหมายความว่ากุศลและจิตนั้นเน่เวลาตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็หมดไปนะศรัทธาก็เหมือนกันเราตั้งครั้งหนึ่งเนี่ ย, ดนะ เ, เ, เ, ยเดี๋ยวมันก็หมดไปอีกแล้วนะ ถ้าเราคิดว่าเอเรายังประมาทมัวเมาเราไม่ต้องตั้งมากแล้วเราตั้งผิดครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกเหมือนเราถีบจักรยานเนี่ยเนี่ยเพียงเราถีบครั้งเดียวเท่านั้นแหละหรือขับรถเนี่ยเนะี่ยเราเหยียบคันเร่งครั้งเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็ยกขาออกจากคันเร่งแล้วไม่ต้องเหยียบต่อแล้วเนี่ยก็เพียงพอแต่การที่จะไปถึงที่ทํางานแล้วเป็นไปไม่ได้มันต้องคอยเหยียบคอยย่ำอยู่ตลอดเวลาชั้นใด การตั้งตนไว้ชอบนั้นก็ต้องพิจารณาว่าตนมีศีลไหมถ้าไม่มีก็ตั้งตนก็ไปในศีลตนไม่มีศรัทธาตนยังมีคนผู้ที่ตนดีเหนียวนั่นอยู่ตนยังมีความชั่วอีกมากมายที่จะต้องละนะยังมีความดีอีกมากมายเนะีจะต้องบําเพ็ญจะต้องเจริญเนี่ยต้องไปพิจารณาเหมือนบางคนเนี่ยท้อเนี่ยทอ้อยังไงพอตนเองแพ้เกิดความท้อถอยแพ้ต่ออกุศล แพ้ต่อบาปเช่นเวลาจิตที่คิดจะทําไม่ดีเนี่ยมันมีกําลังแรงมากพอมีกําลังแรงมากเราบอกโอ้เราคิดถึงคนความดีไม่ไหวแล้วว่างั้นเถอะเราคิดไม่ไหวหรอกเพราะคิดทีไรเราก็ท้อถอยสู้เราทําไม่ดีเลยดีกว่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่คุณจะตั้งตนไว้ชอบเสียทีมันต้องถามใจตัวเองให้ถูกแล้วก็ต้องพิจารณาว่าถ้าหากเราไม่ตั้งบ่อย ในการที่ว่าตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจของตัวเองเข้าไปในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นถ้าไม่ตั้งบ่อยๆแล้วถามแล้วใครจะตั้งให้เรา <c oughs> มันต้องถามอย่างนั้นทางมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ชี้บอกว่านั่นพระองค์บอกชี้เลยชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเสมสารชี้ทางพระนาริพานอันพ้นศโศกวิโยคภัยเนะี่ยพระองค์ชี้เนะีว่าทางสายนี้ดําเนินไปแล้วเราจะปลอดภัย ถ้าทางสายนี้เราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นกับเธอนะเนี่ยพระเจ้าขย้ำเตือนถ้าเดินทางเนี้ยเราทําไมไม่ตั้งตามที่พระองค์บอกไว้หรือเราศรัทธาเราน้อยอ่ะเมื่อศรัทธาน้อยทําไมไม่ตั้งศรัทธาให้บ่อยๆฉะนั้นร่องต้องตรวจสอบอย่าไว้ใจว่าเรานั้นยังละกิเลสไม่ได้นะ โ ล, โลภะเราก็ยังละไม่ได้อยากคิดนะว่าเราจะไม่ชั่วเพราะโลภะใช่ไ้ยโทสะเราก็ยังละไม่ได้อยากคิดนะอย่าไว้ใจนะว่าเราจะไม่ชัว่วจะไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะโทสะโมหะเราก็ยังละไม่ได้อยากคิดนะว่าเราจะไม่ไปหลงสีแสงเสียงต่างๆจนเพื่อจะลืมสิ่งของต่างๆจะลืมพระพุทธเจ้าจึงจนจลืมบุญกุศลฉะนั้นการตั้งตนบ่อยๆนั้น ต้องตั้งตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตั้งครั้งเดียวปล่อยไปสิบปีเนี่เสียหายมากการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ ย, เ, ยเมื่อเราเป็นผู้ไม่มีศรัทธาตั้งตนเองให้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวการตั้งบ่อยๆนี่แหละจากพื้นฐานเล็กๆ น, น้อยๆหละที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะพ้นจากกองทุกได้ สามารถที่จะไปมนาสิกาเนี่เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของขันและละความยินดีพอใจได้เลยทีเดียวฉะนั้นพระอาหารหันตตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีพระโมคคลานะาภาษาริบุตรสูงสุดขึ้นไปคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอัตตสัมมาปณิธิทั้งนั้นคือตั้งตนไว้ชอบแล้วทั้งนั้นถามว่าพระองค์สร้างบา ร, รมีมสัสยสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกับพระโมคคลานะาภาษาริบุตร สร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสองอสงไขบุคคลเหล่านั้นเพียรในการจะตั้งตนไว้ชอบทั้งนั้นฉันเพียรตลอดมาขนาดนั้นพวกเราเนี่ยทำไมต้องท้อกันเร็วด้วยเกินเพราะว่าเราขันติเราน้อยไปหรือป่าวต้องไปพิจารณาอย่างนั้นทั้งๆการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเลยเนะบางครั้งเราเกิดความฟุ้งซ่านบางครั้งเราเกิดความท้อแท้ทําไมเราไม่เข้าหากะรยานามิตร คิดว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองได้ดีเพียงพอแล้วหรือยังต้องมาพิจายรณ า, าดูที่ว่าเรานั้นเป็นเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนผ่านในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้นจะถามว่าบาปเกิดมากหรือบาปเกิดน้อยต้องดูตรงนี้ถ้าบุญเกิดมากหรือถ้าบาปเกิดมากดูตรงนี้เป็นประมาณ น, นถ้าเรายังเป็นผู้ที่มีบาปเกิดมากอยู่ใจยังมีโลภะโทสะหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อที่เราจะต้องเข้าหากัลยาณมิตรคือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองเพื่ อ, อจะได้เพียนปัญญ า, ยยานในการตั้งตนไว้ชอบได้ถูกต้องเพราะว่ า, าพระอาจารย์เคยพูดด้วยเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าการคบาหาจะมาคมกับคนพาณ น, นะคะก็เหมือนกับญ่าคาผูกปลาเน่านะคะแค่ไปผูกไปโดนนี่ก็มันก็เหม็นแล้วนะคะค่ะที่นี้ก็อยากจะกลับเรียนว่าวิธีในการตั้งตนไว้ชอบเนี่ย ค่อนข้างเป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนห่างไกลทีนี้พระอาจารย์จะมีตัวอย่างอะไรสักตัวอย่างหนึ่งไหมคะว่ า, าท่านผู้ฟังถ้าหากว่ากาลังประสบกับทุกข์กับปัญหาที่พยายามจะตั้งตนไว้ชอบตั้งพยายามที่จะมีความเพียรในบางเรื่องว่าในชาดกในอะไรต่างๆในเรื่องในทางศาสนาก็ดังที่ยกตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าพระปเจพระเจ้ า, พ ร, จาพระหลานจสาวก ท่านเหล่านั้นก็ได้ประสบความสำเร็จคือได้นิพพานสมบัติกันทุกๆคนเพราะการตั้งตนไว้ชอบท่านในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนนะที่ประสบเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจล่มละลายเนี่ยล่มจมกันเยอะแยะหมดแต่บคุคคลเหล่านั้นก็ไม่ท้อถอยเพียรพยายามในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวใช้วิธีการคิดใหม่การคิดใหม่แล้วก็ไม่ท้อถอยพร้อมที่จะล้มหลายๆครั้งเพื่อที่จะลุกเดิน ต่อไปนั้นก็คือวิธีการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เราก็ไปตึกไว้พิจารณาดูนะให้เอาคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเป็นประมาณก็แล้วกันนะตรงนั้นนะแล้วก็มองเห็นคนที่เขาท้อถอยหรือท้อแท้ตลอดถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตให้เป็นไปในทางกุศลหรือคุณความดีได้ตรงนั้นก็ให้เอาเป็นข้อคิดว่าตรงนั้นแสดงว่าเขาตั้งตนไว้ผิดแล้วพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์ า ก, การแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ามงคลเนี่ยการตั้งตนไว้ชอบนี่เป็นมงคลสามารถที่จะทําให้เรานั้นได้รับประโยชน์สุขในภพนี้แล้วก็ในภพหน้าเป็นต้นและที่สุดจริงๆเข้าถึงการหลุดพ้นได้จริงๆฉะนั้นขอให้พิจารณาถูกต้องแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเรานั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะ นี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะสำหรับวันนี้ขอให้สาธุชนทุกท่านประสบโชคดีมีมงคลชีวิตสวัสดีค่ะ